ตันสารุพวท ธ, ธบริษัททัง้งหลายและบรรดาประโยคาวจรารทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนับข้อวัตรปฏิบัติในพระกรรมฐานสี่สิบระการโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ สีลานุสติกรรมฐานสำหรับสีลานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระวิตตมานุรมศัสสาสันดาสัมาสมุทัเจ้าทรงแนะนำบรรดาทานพุทธบริษัทให้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คําว่าศีลานุสติอนุสตินี้ไปตามตามนึกถึงศีล ในการเจริญศีรานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาว่าสีหลังสีลังศีลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านท่างหลายตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีล ให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วก็ศีลของเรามีกี่สิทธาบทที่จะพึงรักษาสาหรับเครวาตศีลที่มีความสำคัญก็คือศีลห้าประการสมณเใรมีศีลสิบประการแล้วก็ต้องมีเซฟเยวัตอีกเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้า สำหรับพิสุก็มีสิขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นอริสินแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระสุสบรัททิโสภาคให้ใช้จิตกำหนดอยู่เสมอว่าสิขาบทใดสิขาบทหนึง่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำ เราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่โมหมองหรือขาดทะลุมีการปฏิบัติศีลถาวรทั้งเรื่องพิสุธสมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนักที่ผู้ที่ว่นหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิกขาบทมากในการแต่ต่ววันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะครว่าวิสัย ว่าพิสุทธ์สัมเนนั้นมีกิจที่จะต้องทําอยู่โดยเฉพาะแล้วพะมีภาวะว่างกว่าคระวาปิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะไขขวนทบ ท, บ ท, บทบทวนถึงที่ข้าบที่ตนจะเพิ่งปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งส น, นี่องค์สมเด็จตัวทรงสวัสดีโซภาสทรงแนะนําว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนัก ถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คืออสงสมเด็จพระบรมโลกเกชส่งตัดว่าถ้าเรามีพรมมีหารสี่ครบถ้วนเมื่อมีพรมมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าสินอะไรทั้งหมดมันก็ดีไหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรมมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมกําลังใจไว้เสมอ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 ปัญญาก็ควบคุมไม้สิ่งที่ตัวนิกวไเนี่ยมันถูกต้องตามสิคขาบทที่องค์มสมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกแคบริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิลิละโอตปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายสิน เกรงกลัวผลของความชั่วที่จะที่จะเกิดจากสินถกทาลายแล้วถ้าบันดาสาวกข้อองสมเด็จตะาวที่แก้วทุกท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพร ม, มิหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีฮิลิลาโอตปะ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 ไม่ช้าที่สีาไครโอ้เมฆา้าวางเฉยมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สตินึกไว้ว่าสิ่งที่เรามีกี่สี่้าบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวาว่าสิข่ขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลนิองค์สมเด็จตัศมาสมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรามีประโยชน์เพียงใดหรือไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮิริลโอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทําลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรากขึ้นมังได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สันดา ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธมรรตสัตทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิ่งครบถ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงโมสตศีนสินสิทธ แ้่สินใหญ่ก็คือสินสองรอยี่สิบเจ็ดของบริเขาบสุททั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะสรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้ออาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเขา้ประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นการเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสินนี้แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสี่ขาบทสองร้อยยี่สิเจ็ดจะไม่พูดถึงสี่ขาบทสิบก็จะไม่พูดถึงสี่ขาบทแปดก็จะไม่พูดถึงสี่ขาบทห้าจะพูดรต่ว่าสี่ขาบทห้านี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้าร่มอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัสมปชัญญะขุมจิตว่าให้มันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะจะเอาสติสมัมปัญญะเข้าุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจรารณาตามกระแสประเธรรมเทศนาที่เรื่องสิง แต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมัญญามีเห็นิโลตะปะมีศรัทธาหมดศินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าดา่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลก็ความชั่วใจผลเนื่งการทําลายสินี่ในเมื่อสามารถเราทรงศินได้ดีโดยเฉพาะสินห้า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 เราตีเขาเขาก็ตีเราเขาเจอก็เราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหาว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาและกรุศลนายมีการจะยื้อแย่งทัพย์สิขนของคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทาไม่ได้ เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับและถือในทรัพย์สินของเขาเมืนอเขาหามาด้ยากเราไม่ทำเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสำหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของคนอื่นแล้วก็คิดถึงกำลังใจของเราบ้าง ว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขาไม่ใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกชันนั้นดังนั้นในเมื่อเรารีเรารักในคนรักมาอยากมาอยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทำลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทำเสีย มีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากขาเขาก็มีความสุขไม่แต่เราในความสามัคคีสําหรับในด้านวาจานี้ที่องสมเด็จเจดีย์สีส ท, ทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดผลหไม่พูดคำหยาบไม่โยโยงได้แกลแซวบุคคลอื่นให้ก็แตกเรากัน ไม่พูดวาจาสำราญให้เป็นที่ระคายเคืองใจของบุคคลอื่นใช่วาจาจริงใช่วาจาอ่อนหวานใช่วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นปโยชน์กับบุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช่วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุข เพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนําว่าสุรามีไรเป็นปจัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบร ม, มนุกนาตทรงแนะนําว่าจงหยุดยั้งเสียย่าดื่มมันตามโบติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้ว ถ้าไปเมาเล่าเขา อ, อีความเมามันเพิ่มกันมนยาใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่หละบรรดาท่านพรทธบริษัทเป็นอนันว่าศีลถ้าเราเพื่อรักษาได้จะพาอสี้าบท่าประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิจิต ม, มารบรมณสัรสันดาการว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมด ก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระแวดระวังป้องกันอันตรายทย่เพิ่งเคยกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิงหายแล้วก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้แย่งความรักสิ่งกระลรกันไม่ต้องทสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังวฟังมาจาที่เป็นประโยชน์แก่คุณอื่นที่เราก็มีความสุข นี่เป็นอนวุวาสีลเป็นปัจจัยของความสุขสีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายมีสีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมมนี่การที่แค่จเจริญสีลานุสติกรรมาฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่งต้องไดลืมตาขึ้นมาเชองกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสีขาบทใคร่ควรสีขาบทต่างๆที่จะฝึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอนทำลายสิ่นด็กขาดถ้ามาเ อ, อื่นมันทัง้งมันพลาดไปบ้างก็ขวาวสติสัมปญญาเขาควบคุมไว ว่าสิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จไปจอมใจเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคือละเมิดแนละ้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับปรุงใจไปวันละเล็กวันน้อยมันก็มีการบกุกคลงบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาเพื่อเป็นของใหม่ ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ช้านไม่นานเท่าไรกำลังใจในการรักษาสิงก็ก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมความจริงขณะนาของเรานี่ก็มีมากนะสําหรับครวัตสําหรับตานี้ต้องระมัดระวังให้ดีครวัตในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะ ในการเคารพในพระไตรศนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรศนาคมก็มีศีลไม่ได้คนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพรกะจิตใจเคารพในไตรศนาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์มีความจริงในกรรมฐ า, านสี่สิบนี่เราศึกษาจะมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ เราเนึกถึงพระพุทธเจ้าเราเนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เปนะ็นศาสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันสีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังสีน์เป็นอารมณ์มี้าหากว่าท่านงหลายๆทรงศีน์ด้วยกำลังใจบริสุทธิ์ มีจิตใจเป็นเอกข้าตารมณ์ในกำลังของสีนสีนจะไม่ขาดตกบกกร้องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญนี่เฉพาะครวัตนะจะเฉพาะมีสูตรสมณีใ น, นมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจละมิดจึงจ ะ, ะจึงจะเข้าถึงการบกกร้องไม่ียกว่าสีนจะบกกร้อง บางสิข้าหมดนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งจิตรกะเจื่อได้จิตคือตั้งใจและอจิตอกะไม่มีจิตเจือผลคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดีมีตัวพาว่าสิงคนท่านครบทวนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบูรณ์นี่สังเกตง่ายนะถ้ามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณ ไม่แข็งดีไม่แข็งเด่นมีได้ก็มีแต่กายเกื้อกูลดูตัวอย่างที่นาวิสาขามหาบาริกาหรือว่าท่านอนาติวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีเขาบงคนอื่นถ้าศินบริสุดอย่างหนึ่งมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน เพราะว่าในที่ในบัมบาลีกล่าวว่าพระโสดาเกศสิตาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะท่านเอาเพียงเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสำคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วาสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีล แันนั้นขอบรรดาลท่านพุทธบริษัทท่านหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอ ย, ยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสองฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้ว เหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว่าศีลห้ารายการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทําอย่างมดไม่เดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดได้เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อเก้าใจเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอืน่น ถ้าไปเหยียบโมตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดแล้วยุงมันมากเกาะก่อยหวังจะลูกไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นนั้นว่าถ้าท่านทรงสิงบริสุทธิ์แล้วก็มีศาสนาข่มครับอย่ามนีเรียกว่าประสงคดาบันให้รับู่กันในด้านปฏิบัติ นี่สำหรับที่เราจรียสีรานุสติกมาฐานมั่นคงอย่างนี้เมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตรนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีราณุสติกมาฐานนี่กับไตรรัต น, นาคมทั้งสามราการทําให้เป็นวิปัสนาญาณได้ความจริงของ้อนี้ก็เป็นวิปัสนาเหมือนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์อย่าเราเป็นผู้ไดเจ้าก็ก็นึกถึงความตายเป็นสําคัญแล้วคิดว่าตายใกชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสำหรับพระโสดาบันที่กล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดาเกษธาคา มีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้กิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีนเรื่องศีนที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพร ม, มีหารศีถ้าคนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครขเขาเจริญพรมีหันศีเรื่อ <c> ง <oughs> ีเพราะอะไรเร้งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพร ม, มีหารศีมีแต่กายเคืือคูน ไม่ช้าไม่เย้แยงไม่แข่งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สเตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานุสติกรรมฐานครบถ้วนท่านท่านปฏิบัติในอนุสติสามรายการครบถ้วนอรุทธทาทนุสติธรรมานุสติสังคนนนางคนุสติ ตามนักทึงความดีพระพุทธรธรรมประสงค์ถ้าตามนักทึงความดีของศีลสิขาบทตรงศีลเมื่อมีอารมณ์คงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันแต่ว่าเราต้องการจะเป็นอารามจะทำยังไงตอนนี้กําลังใจเหยียบย่ำเก้ามาสู่โลกุตระจิตให้จิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกยิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่ยาก ถ้าอยาเป็นต้องการแปลรหัสก็กำลังใจมันเข้าเขตปณิพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาหาคติปรธานสูรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้แล้วเวทนาก็ดีจิตก็ดีทํามคนดีที่เกิดการลงของใจเราก็ไม่ว่าเพียงเท่าักว่าเราเห็นเท่านั้น เพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นทม่ได้ร่างกายภายในขอร่างกายของเรากายภายนอกของร่างกายของบุคคลอื่นให้บอกว่าจงยาเยึดถือร่างกายของเราด้วยจงยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงอยาเยืดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกที้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเรา คนที่รับรับศาคมทรงศาสนา ค, ม อ, นาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองสมเด็จพระบรมสุคตทรงเป็นอัชาริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดชั่ยในที่สุดองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ต้องทิ้งชีรละร่างของพระองค์ ดังนั้นในเมื่อองสมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนำทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถ้าว่าเร า, ายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพยีพยงใดเราก็ต้องเกิดอีก อย่างเดือที่ทรงแต้ม ด, ดำกากีสาโคตมีว่ามัจุราช จ, จงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่ไบยภูมิพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาแทนพุทธบริสันทหลายคงกําลังใจยอย่างนี้ที่ว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ก็จะพังก็เชิญร่างกายของบุคุณอื่นจะตายก็ช่างไประไร เมื่อตายแล้วทรัพย์สินน่าไหลเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างก็มันไม่มีความสําคัญสำหรับเราร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชื้อสายของความทุกข์ไม่เป็นไ ม, ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเป็นโยทรงโยเพยียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตจินรีย์มันจะสิ้นไปเมื่อ ไ, ไร่เราก็ไม่จะเถียนใจ ถ้ามีความสุขใจถ้าวางชิ้นได้เพียงธรรมน้บรนดาท่านพุทธบริสัทธทั้งหลายก็ชี้ว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอารหัตผลเป็นพระดิยาบุคุณเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาถ้าเราสำหรับธรรมนิ บ, นาานบรรดาท่านพุทธบริสัทธทั้งหลายโดยทุนนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วต่อเทนี้ไปขอาบรรดาท่านพุทธบริสัทธทั้งหลาย ทรงกำลังกายกำลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาเทวพุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี